สป่สัปปานาจาริกังคคาถาการสมทานแม้สัพปปทานาจาริกังคะทุดงก็เหมือนกันจากคำสมทานสองอย่างนี้คือโลลุปปจารังปฏิคิปามิข้าพเจ้าปฏิเสธการเที่ยวไปด้วยความละโมบดังนี้อย่างหนึ่งสัพปปทานาจาริกังคังสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอสมทานเอาองค์แห่งภิกษุผู้มีอันเที่ยวไปไม่ขาตอนเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งยอมเป็นอันโยคีบุคคลสมทานเอาแล้วด้วยคำสมทานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าด้วยการสมทานในสัพทา น, นาจาริกังคะทุ ด, ดงนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธี ก็แลอันภิกษุผู้เที่ยวไปไม่ขาดตอนเป็นปกตินั้นครั้นไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านแล้วต้องกําหนดดูให้รู้ถึงความไม่มีอันตรายก่อนถนนหรือบ้านใดมีอันตรายจะเที่ยวไปในถนนหรือบ้านอื่นโดยข้ามถนนหรือบ้านที่มีอันตรายนั้นไปก็ได้เมื่อไม่ได้พิกษาอะไรอะไรณนะที่ประตูเรือนหรือถนนหรือบ้านใด พึงทำความสำคัญว่าไม่ใช่บ้านแล้วผ่านเลยไปเมื่อได้พิจารณาอะไรอะไรณที่ใดจะผ่านเลยที่นั้นไปย่อมไม่สมควรและอันภิกษุผู้ส ะ, ะทานนาจาริกนี้ต้องเข้าไปบินธบาตแต่เช้าเช้าหน่อยเพราะเมื่อเข้าไปแต่เช้าเช้าอย่างนี้จึงจากสามารถเพื่อที่จะผ่านสถานที่อันไม่สะดวกแล้วเที่ยวไปณที่อื่นได้ทันการ ก็แล้วถ้าคนทั้งหลายให้ทานอยู่ในวัดของภิกษุผู้สัพทานาจาริกนั้นหรือเขาเดินมาพบในระหว่างทางเขาจะขอรับเอาบาตรและถวายบิณฑบาตก็สมควรและแม้เมื่อภิกษุผู้สัพทานาจาริกนี้เดินทางจะพึงเดินเลยบ้านที่ตนไปถึงในเวลาแห่งภิกษาจารหาได้ไม่เมื่อไม่ได้ภิกษาในบ้านนั้นหรือได้เพียงนิดหน่อย ก็พึงเดินเที่ยวไปตามลำดับบ้านนั่นเถิดว่าด้วยกรรมวิธีในสัพทานเจ้าริ ก, กังคะทุดวงนี้เพียงเท่านี้ประเภทว่าโดยประเภทแม้ภิกษุผู้เที่ยวไปไม่ขาดตอนเป็นปกตินี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นสัปทานจ้าริกภิกษุชั้นอุกริ ยอมไม่รับภิกษาที่เขานำมาข้างหน้ายอมไม่รับภิกษาที่เขานำตามมาข้างหลังยอมไม่รับภิกษาแม้ที่เขากลับไปเอามาถวายแต่ยอมสละบาทให้ที่ประตูบ้านซึ่งไปถึงแล้วก็แหลในทุดวงนี้ใครๆที่จะปฏิบัติเสมอเหมือนกับพระมหากัรสปะเทระเป็นอันไม่มีแม้สถานที่สละให้บาทของท่านยังปรากฏอยู่นั่นเทียว ที่สละให้บาทนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ไว้ที่ประตูเรือนของเท้าสักกะซึ่งเขาสร้างรูปนายช่างหูประดิษฐานไว้ที่ถนนนายช่างหูสัพทานเจ้าริกภิกษุชั้นกลางยอมรับภิกษาที่เขานํามาข้างหน้าหรือข้างหลังแม้ภิกษาที่เขากลับไปเอามาก็รับยอมสละบาทให้แม้ที่ประตูบ้านซึ่งตนเดินไปถึงแล้ว ก็แต่ว่าไม่นั่งรอรับพิกษาโดยในยะนี้เป็นอันว่าสัพทานาจาริกภิกษุชั้นกลางนั้นย่อมอนุโลมแก่บินทปาติกะภิกษุชั้นอุกริตสัพทานาจาริกภิกษุชั้นต่ำย่อมนั่งคอยรับพิกษาในวันนั้นได้ว่าด้วยประเภทในสัพทานาจาริ ก, กังคตุดงนี้ เพียงเท่านี้ความแตกคือขาดก็แลขณะเมื่อมีการเที่ยวไปด้วยความละโมบเกิดขึ้นแก่สัพพทานจาริกภิกษุทั้งสามประเภทนี้ทุดดงย่อมแตกคือหายจากสภาพทุดดงว่าด้วยความแตกในสัพพทานจาริ ก, กังคาทุดดงนี้เพียงเท่านี้ อนิสงส์ก็แหลอานิสงส์ในทุดงนี้มีดังนี้คือความเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิดในทุกๆตระกูลเป็นผู้มีอาการเหมือนพระจันทร์เป็นการละิได้ซึ่งความตรณีตระกูลเป็นผู้มีการอนุเคราะห์อย่างเสมอหน้ากันไม่มีโทษในเพราะการเข้าไปสู่ตระกูลไม่ใหญ่ดีต่อคำนิมนต์ เป็นผู้ไม่มีความต้องการด้วยการยื่นให้ซึ่งภิกษาเป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมากน้อยเป็นต้นภิกษุผู้มีอันเที่ยวไปย่งไม่ขาดตอนเป็นปกติในศาสนานี้ย่อมเป็นผู้มีอาการปานดังรัจันเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิสในตระกูลทั้งหลายไม่ตรณนีตระกูลมีความอนุเคราะห์เสมอทั่วหน้ากัน เป็นผู้พ้นแล้วจากโทษในเพราะการเข้าไปสู่ตระกูลเพราะเหตุฉะนั้นอันภิกษุสัพพทานาจาริกผู้เป็นบัณฑิตพึงละเสียซึ่งการเที่ยวไปด้วยความละโมบมีตาทอดลงมองดูประมาณชั่วแอกและเมื่ อ, อยังหวังอยู่ซึ่งการเที่ยวไปยังเสรีในโลกปัตภีก็พึงเที่ยวไปเพื่อบินธบาตยังไม่ขาดตอนคือเที่ยวไปตามลำดับเรือนนั่นเถิด ว่าด้วยอนิสงส์ในสัปพานจาริกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้พัณ น, นาการสมาทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอานิสงส์ในสัปพานจาริกังคะทุดงยุติลงเพียงเท่านี้ห้าเอกาสนิกังคกถา การสมทานแม้เอกาสนิกังคะทุดงก็เป็นอัญโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วด้วยคำสมาทานอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำสมาทานสองอย่างนี้คือนานาสนะโภชนังปฏิคีปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธการนั่งในที่นั่งมากแห่งดังนี้อย่างหนึ่งเอากาสนิกังขังสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้มีอันชันในที่นั่งอันเดียวเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งว่าด้วยการสมท า, านในเอกาสนิ ก, กังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีก็แลอันภิกษุผู้ฉันในที่นั่งอันเดียวเป็นปกตินั้นเมื่อจะนั่งในหอฉันอย่านั่งบนที่นั่งของพระเถระ พึงกำหนดเอาที่นั่งอันสมควรแก่ตนว่าที่นั่งนี้จะได้แก่อัตมาฉันนี้แล้วจึงนั่งที่นั่งนั้นถ้าเมื่อภิกษุผู้เอกาสนิ ก, กะหรือเอกาสนิกนั้นกำลังฉันค้างอยู่มีอาจารย์หรืออุปชามาถึงเข้าสมควรที่จะลุกขึ้นทมอจาจรยยวัดรหรืออุปชายาวัรก็แลพระจุลอภยะเทระ ผู้ทรงพระตายปิฎกได้แสดงมติไว้ว่าจะพึงรักษาซึ่งที่นั่งหรือโภชนะไว้ด้วยว่าเอกาสนิกาภิกษุนี้มีการฉันยังค้างอยู่เพราะฉะนั้นพึงทำอาจาริยวัดหรืออุปชาัยาวัดเถิดแต่จงอย่าฉันโภชนะเลยว่าด้วยกรรมวิธีในเอกาสนิ ก, กังขะทุดดงนี้เพียงเท่านี้ ประเภทก็แลเมื่อว่าโดยประเภทแม้ภิกษุผู้นั่งแนที่นั่งอันเดียวเป็นปกตินี้ก็มีสามประเภทเช่นกันในสามประเภทนั้นเอกาสนิกาภิกษุชั้นอุกฤษโภชนะจะน้อยหรือมากก็ตามเมื่อหย่อนมือลงไปในโภชนะอันใดแล้วยอมไม่ยอมรับเอาซึ่งโภชนะอื่นจากโภชนะนั้นแม้คนทั้งหลายก็เห็นว่า พระเถระไม่ได้ฉันอะไรอะไรแล้วพากันเอาเภสัชเช่นเหนื่อยใสยเป็นต้นมาถวายควรจะรับไว้ได้ก็แต่เพียงเพื่อเป็นเภสัชจะรับไว้เพื่อเป็นอาหารหาได้ไหมเอากาสนิกะภิกษุชั้นกลางเมื่อพัฒตาหารในบาทยังไม่หมดเพียงใดก็ยังรับพัฒตาหารอื่นได้อยู่เพียงนั้นด้วยว่าเอากาสนิกะภิกษุชั้นกลางนี้ ยอมชื่อว่าเป็นผู้มีโภชนะเป็นที่สุดเอกาสนิกะภิกษุชั้นต่ำเมื่ อ, อยังไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งเพียงใดก็ยังฉันพัตาหารได้อยู่เพียงนั้นด้วยว่าเอกาสนิกะภิกษุชั้นต่ำนี้ยอมชื่อว่าเป็นผู้มีน้ำเป็นที่สุดเพราะฉันได้ตลอดเวลาที่ยังไม่รับน้ำล้างบาทหรือชื่อว่าเป็นผู้มีการนั่งเป็นที่สุด เพราะฉันได้ตลอดเวลาที่ยังไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งว่าด้วยประเภทในเอกาสนิกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกก็แลทุดงนี้ย่อมแตกคือหายจากสภาพทุดงในขณะที่เอกาชนิกาภิกษุทั้งสามประเภทนี้ฉันโพชนะในที่นั่งหลายแห่ง ว่าด้วยความแตกในเอกาสนิกรังขาทุดองนี้เพียงเท่านี้อา น, นิสงก็แหลอา น, นิสงในทุดงนี้มีดังนี้คือความเป็นผู้มีอาภาษน้อยความเป็นผู้มีความลำบากกายน้อยฐานเบาคือกลับเนื้อกลับตัวคล่องแคล่วกาลังแข็งแรงมีการอยู่อย่างพาสุกสบาย ไม่ต้องอาบัตเพราะโภชนะอันไม่เป็นเดนเป็นเหตุบรรเทาความติดในรถอาหารเสียได้เป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมากน้อยเป็นต้นโรคทั้งหลายซึ่งมีการฉันเป็นเหตุย่อมไม่เบียดเบียนภิกษุผู้สำรวมผู้ยินดีในการฉันในที่นั่งอันเดียวภิกษุไม่ละโมบในรถอาหาร ย่อมอดทนได้ไม่ทำให้งานคือการบำเพ็ญเพียรของตนเสื่อมเสียไปด้วยประการชนนี้ภิกษุผู้สำรวมมีใจสะอาดพึงสร้างความพอใจให้บังเกิดในการฉันในที่นั่งอันเดียวอันเป็นเหตุแห่งความผาสุขที่ผู้ยินดีในการขัดกราวกิเลสให้สะอาดเข้าไปซ้องเสพแล้วนั่นเถิด ว่าด้วยอนิสงส์ในเอกาสนิ ก, กังคาทุดงนี้เพียงเท่านี้พันนาการสมาทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอนิสงส์ในเอกาสนิ ก, กังคาทุดงยุติลงเพียงเท่านี้ 6. ปัตตะปินที่กังคะกถา การสมท า, านแม้ปตัตตะปินทิกังค้าทุดงก็ย่อมเป็นอัญโยคีบุคคลสมท า, านเอาด้วยคำสมท า, านอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำสมท า, านสองอย่างนี้คือทุติยกะภาชนังปาติคิปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธภาชนะอันที่สองดังนี้อย่างหนึ่งปตัตตะปินทิกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมท า, านเอาซึ่งองค์ของภิกษุ ผู้มีบินทบาทในบาทเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งว่าด้วยการสมาทานในปัตตะปินทิกังคะทุ ด, ด่งนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีก็แลอันภิกษุผู้มีบินทบาทในบาทเป็นปกตินั้นถึงเวลาจะดื่มข้าวยาคูเมื่อได้อาหารมาไว้ในภาชนะแล้วพึงฉันอาหารก่อน หรือจะดื่มข้าวยาคูก่อนก็ได้ก็ถ้าใส่อาหารลงในข้าวยาคูเมื่ออาหารที่ใส่ลงไปนั้นเป็นปลาเน่าเป็นต้นข้าวยาคูก็จะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดและควรทำข้าวยาคูให้หายน่าเกลียดเสียจึงค่อยฉันเพราะฉะนั้นคำว่าพึงฉันอาหารก่อนก็ได้นี้ท่านกล่าวหมายเอาอาหารเช่นนั้น ส่วนอาหารใดย่อมไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดเช่นน้ำพึ่งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นอาหารนั้นพึ่งใส่ลงในข้าวอยาขู่ได้แต่เมื่อจะหยิบเอาอาหารเช่นนั้นก็พึ่งหยิบเอาแต่พอสมควรแก่ประมาณเท่านั้นผักสดจะใช้มือจับกัดกินก็ได้แต่เมื่อไม่ทำดังนั้นพึ่งใส่ลงในบาทนั่นเทียว ส่วนภาชนะอย่างอื่นแม้จะเป็นใบไม้ก็ตามก็ไม่ควรใช้เพราะได้ปฏิเสธภาชนะอันที่สองไว้แล้วว่าด้วยกรรมวิธีในปัตตะปินที่กังขะทุดดงนี้เพียงเท่านี้ประเภทก็แลเมื่อว่าด้วยประเภทแม้ภิกษุ ผู้มีบิณฑบาตในบาตเป็นปกตินี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นปตตะปินทิกะภิกษุชั้นอุกริตแม้จะคายกากอาหารทิ้งก็ไม่ควรยกเว้นแต่เวลาฉันอ้อยควนคืออ้อยลำแม้ก้อนข้าวสุกปลาเนื้อและขนมจะใช้มือบีฉันก็ไม่ควร สำหรับปตัตตะปินทิกะภิกษุชั้นกลางนั้นจะใช้มือข้างหนึ่งบีแล้วฉันก็ควรปรตัตตะปินทิกะภิกษุนี้ชื่อว่าหัตโยคีหมายถึงโยคีผู้ใช้มือส่วนปตัตตะปินทิกะภิกษุชั้นต่ำเป็นผู้ชื่อว่าปตัตโยคีหมายถึงโยคีผู้ใช้บาทคือของเคี้ยวของฉันสิ่งใด สามารถที่จะบรรจุเข้าไปในบาทของท่านได้จะบิจะเคี้ยวของฉันนั้นด้วยมือหรือจะขบด้วยฝันแล้วฉันก็ควรว่าด้วยประเภทในปันตะปินทิกังขะทุ ด, ดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกก็แหละทุ ด, ดงของภิกษุผู้ปฏิปินทิกะทั้งสามประเภทนี้ ย่อมแตกคือหายจากสภาพทุดงในขณะที่ท่านเหล่านั้นยินดีต่อภาชนะอันที่สองนั่นเทียวว่าด้วยความแตกในปัตตะปินที่กังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้อานิสงก็แลอานิสงในทุดงนี้มีดังนี้คือ เป็นการบรรเทาเสียซึ่งตัญหาในรถต่างๆเป็นการเสียสละได้ซึ่งภาวะที่มีความอยากในรถในภาชนะนั้นๆความเป็นผู้เห็นประโยชน์และประมาณในอาหารไม่มีความลำบากเพราะการรักษาเครื่องใช้เช่นถาดเป็นต้นไม่มีความเป็นผู้ฉันลอกแลกเป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมากน้อยเป็นต้น ภิกษุผู้มีวัดปฏิบัติอันงดงามเลิกละความล็อกแลกในภาชนะนานาชนิดเสียมีตาทอดลงแต่ในบาทย่อมเป็นเสมือนขุดอยู่ซึ่งรากเง่าแห่งตันหาในรถภิกษุผู้มีใจงดงามรักษาไว้ซึ่งความสันโดษเสมือนด่งรูปร่างของตนพึงสามารถที่จะฉันอาหารเช่นนี้ได้ภิกษุอื่น ใครเล่าที่จะพึงเป็นผู้มีบินทบาตในบาตเป็นปกติว่าด้วยอนิสงในปตัตตะปินทิกังฆาทุ ด, ดงนี้เพียงเท่านี้พันานาการสมทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอนิสงในปตัตตะปินทิกังฆาทุดงยุติลงเพียงเท่านี้เจ็ด ขลุ ป, ปัจชาภติกังขะกถาการสมทานแม้ขลุ ป, ปัชฉาภติกังขะทุดงก็ย่อมเป็นอัญโยคีบุคคลสมทานเอาแล้วด้วยคำสมทานอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำสมทานสองอย่างนี้คืออติริตะโพชนังปฏิคิ ป, ปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธโภชนะอนล้นเหลือดังนี้อย่างหนึ่ง ขลุปัชชาพัติกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุมิใช่ผู้มีอันชันปัชชาพัตเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งว่าด้วยการสมาทานในขลุ ป, ปัชชาพัติกังคะทุดองนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีก็ลอันภิกษุ มิใช่ผู้มีอันฉันปัจฉาพัดเป็นปกตินั้นครั้นห้ามโภชนะเสียแล้วไม่พึงทําให้โภชนะเป็นกัปปิยะคือให้เป็นของควรฉันแล้วฉันอีกว่าด้วยกรรมวิธีในคลุ ป, ปัจฉาภัติกังขะทุดงนี้เพียงเท่านี้ประเภทก็แลเมื่อว่าโดยประเภทแล้วภิกษุ มิใช่ผู้ฉันปัจฉาพัดเป็นปกตินี้มีสามประเภทดังนี้คือโดยเหตุที่การห้ามโภชนะย่อมมีไม่ได้ในบินทบาทครั้งแรกแต่เมื่อบินทบาทครั้งแรกนั้นภิกษุผู้ขลุปฉัาปฏิกะกำลังฉันอยู่ย่อมเป็นอันปฏิเสธซึ่งบินทบาทอื่นฉะนั้นในขลุปฉันปฏิกะภิกษุสามประเภทนั้น ขลุ ป, ปัชฉาภติกะภิกษุชั้นอุกริตห้ามโภชนะแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือฉันบินทบาดครั้งแรกแล้วย่อมไม่ฉันบินทบาดครั้งที่สองขลุบ ป, ปัจชาภติกะภิกษุชั้นกลางตนห้ามแล้วในเพราะโภชนะใดอย่างฉันโภชนะนั้นได้อยู่นั่นเทียวส่วนคลุ ป, ปัจชาภติกะภิกษุชั้นต่ำ ย่อมฉันบินธบาได้ตลอดเวลาที่ตนยังไม่ลุกจากที่นั่งว่าด้วยประเภทในขลุกปชาพติกังขะทุดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกก็แลทุดงนี้ย่อมแตกคือหายจากสภาพทุดงในขณะที่ขลุกปชาพติกะภิกษุทั้งสามประเภทนี้ซึ่งห้ามโภชนะแล้ว ให้ทำโภชนาให้เป็นกัปปิยะแล้วฉันอีกนั่นเทียวว่าด้วยความแตกในคลุ ป, ปรจชาภฏิกังขะทุดดงนี้เพียงเท่านี้อานิสงก็แหลอานิสงในทุดดงนี้มีดังนี้คือเป็นการห่างไกลจากอาบัติเพราะฉันโภชนาอันไม่เป็นเดน ไม่มีการแน่นท้องเป็นการไม่สะสมอา mith ไม่มีการสแสวงหาอีกเป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมักน้อยเป็นต้นโยคีบุคคลผู้ขลุ ป, ปัะชาภัติกะซึ่งเป็นบัณฑิตย่อมไม่เผชิญกับความลำบากเพราะการสแสวงหาอาหารย่อมไม่ทําการสะสมอา mith ย่ยอมหายจากความแน่นท้อง เพราะฉะนั้นอัญโยคีบุคคลผู้ใครที่จะกำจัดเสียซึ่งโทษทั้งหลายพึงบำเพ็ญคารปปรชาพัตติกังขะทุดงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสุคตเจ้าทรงสันเสริญพระปฏิบัติศาสนาว่าเป็นที่เกิดแห่งความเจริญขึ้นแห่งคุณมีคุณคือความสันโดษเป็นต้นนั่นเทียว ว่าด้วยอนิสงส์ในคลุ ป, ปชาภติกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้พันนาการสมาทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอานิสงส์ในคลุ ป, ปชาพติกังคะทุดงยุติลงเพียงเท่านี้8อารัน ญ, ญิกังคะกถา การสมทานแม่อรัญญิกังคะทุดงก็ยอมเป็นอัญโยคีบุคคลสมทานเอาแล้วด้วยคำสมทานอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำสมทานสองอย่างนี้คือขามันตะเสนาสนังปฏิคิกามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธเสนาสนะภายในบ้านดังนี้อย่างหนึ่งอรัญญิกังคังสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งว่าด้วยการสมาทานในอารันญิกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีก็แลอันภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นปกตินั้นต้องออกจากเสนาสนะภายในบ้านไปทําให้อารุณตั้งขึ้นในป่า ในเสนาสนะสองอย่างนั้นบ้านพร้อมทั้งอุปจาระแห่งบ้านนั่นเทียวชื่อว่าเสนาสนะภายในบ้านอธิบายคำว่าบ้านที่อยู่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีกระท่อมหลังเดียวหรือหลายหลังก็ตามจะมีเครื่องล้อมหรือไม่มีเครื่องล้อมก็ตามจะมีคนหรือไม่มีคนก็ตามแม้ชั้นที่สุด หมู่เกวียนเหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งจอดพักอยู่เกินสี่เดือนชื่อว่าบ้านอธิบายคำว่าอุปจาระบ้านสำหรับบ้านที่มีเครื่องล้อมเหมือนดังเมืองอนุราธบุรีย่อมมีเขื่อนอยู่สองชั้นชั่วเลทุบาทหนึ่งคือชั่วควางก้อนดินตกของบุรุษผู้มีกำลังปานกลาง ซึ่งยืนอยู่ที่เขื่อนด้านในชื่อว่าอุปจาระบ้านหมายถึงบริเวณรอบรอบบ้านท่านผู้ชำนาญพระวินัยอธิบายลักษณะของเลตุบาทนั้นไว้ดังนี้ที่ภายในแห่งก้อนดินตกซึ่งบุรุษผู้มีกำลังปานกลางคว้างไปนั้นเหมือนอย่างพวกเด็กวัยหนุ่มเมื่อจะออกกำลังของตนจึงเหยียดแขนออกแล้วคว้างก้อนดินไปฉะนั้น ส่วนท่านผู้ชำนาญพระสูตรอธิบายไว้ว่าที่ภายในแห่งก้อนดินตกซึ่งบุรุษขว้างไปด้วยหมายที่จะห้ามกาชื่อว่าอุปจาระบ้านในบ้านที่ไม่มีเครื่องล้อมมาตุกขามคือสตรีเยือนอยู่ที่ประตูรเรือนหลังสุดท้ายแล้วสาดน้ำไปด้วยภาชนะภายในที่ตกแห่ง น, น้ำนั้นชื่อว่าอุปจาระเรือน นับแต่อุปจาระเรือนนั้นออกไปชั่วเลทุบาทหนึ่งโดยในยะที่กล่าวมาแล้วยังนับเป็นบ้านชั่วเลทุบาทที่สองจึงนับเป็นอุปจาระบ้านอธิบายคำว่าป่าส่วนป่านั้นประการแรกโดยปริยายแห่งพระวินัยท่านอธิบายไว้ว่ายกเว้นบ้านและอุปจาระบ้านเสีย ที่ทั้งหมดนั้นเรียกว่าป่าโดยปริยายแห่งพระอภิธรรมท่านอธิบายไว้ว่าที่ภายนอกจากเขื่อนออกไปทั้งหมดนั้นเรียกว่าป่าส่วนณที่นี้โดยปริยาแยห่งพระสูตรท่านอธิบายลักษณะไว้ดังนี้เศนาสนะหลังสุดท้ายที่ตั้งอยู่ชั่วระยะห้าร้อยช่วธนูเรียกว่าเศนาสนะป่า ลักษณะที่กล่าวมานี้พึงกำหนดวัดด้วยคันธนูแบบที่ขึ้นแล้วสําหรับบ้านที่มีเครื่องล้อมวัดตั้งแต่เสาเขื่อนไปจนจรดรั้ววัดคือวิหารสําหรับบ้านที่ไม่มีเครื่องล้อมวัดตั้งแต่ชั่วเลธุบาทแรกไปจนจรดรั้ววัดคือวิหารพระอัตกถาจารย์อธิบายไว้ในอัตฐกถาวินัยทั้งหลายว่า และถ้าเป็นวัดที่ไม่มีรั้วล้อมพึงวัดเอาเสนาสนะหลังแรกให้เป็นเครื่องกาหนดหรือพึงวัดเอาโรงครัวหรือที่ประชุมประจำหรือต้นโพหรือพระเจดีแม้มีอยู่ในที่ห่างไกลไปจากเสนาสนะให้เป็นเครื่องกาหนดได้ส่วนในอัท ธ, ธกถามาชิมานิกายท่านอธิบายไว้ว่าแม้อุปจาราวัด ก็เหมือนอุปจาระบ้านพึงออกมาวัดเอาตรงระหว่างเลทุบาททั้งสองนั้นเถิดข้อนี้นับเอาเป็นประมาณในการคำนวณ น, นี้ได้แม้หากว่ามีหมู่บ้านอยู่ในที่ใกล้กับวัดภิกษุสัมมเนนซึ่งอยู่ในวัดก็ได้ยินเสียงของชาวบ้านอยู่แต่ก็ไม่อาจจะเดินทางตรงๆถึงกันได้เพราะมีภูเขาและแม่น้าเป็นต้น ขั้นอยู่ในระหว่างทางใดอันเป็นทางเดินโดยปกติของวัดนั้นแม้หากจะพึ่งสัญจรไปมาด้วยเรือก็ตามพึ่งถือเอาเป็นห้าร้อยชั่วธนูด้วยทางนั้นแต่อารัญญิกะภิกษุใดปิดกั้นทางเล็กๆในที่นั้นนั้นเสียเพื่อประโยชน์ที่จะให้สำเร็จเป็นองค์ของบ้านใกล้วัดอรัญญิกะภิกษุนี้ย่อมชื่อว่าโจรทุดง ก็แลตาอุปัชาหรืออาจารย์ของอารัญญิกาภิกษุเกิดต้องอาพาธขึ้นมาเมื่อท่านไม่ได้ความสัปปายะในปา่าจะพึงนําพาอุปชาหรืออาจารย์ไปอุปถาที่เสนาสนะภายในบ้านก็ได้แต่ต้องรีบกลับออกไปให้ทันการทําให้อารณุณขึ้นในที่อันประกอบด้วยองค์แห่งปา่าถ้าโรคของอุปัชาหรืออาจารย์กําเริบขึ้น ในเวลาอารุณ์ขึ้นพอดีก็พึงอยู่ทรรมกิจวัดถวายแด่อุปชาหรืออาจารย์นั่นเถิดไม่ต้องห่วงทมทุดงให้บริสุทธิ์หรอกว่าด้วยกรรมวิธีในอารันยิกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้ประเภทก็แลเมื่อว่าโดยประเภทแม้ภิกษุ ผู้อยู่ในป่าเป็นปกตินี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นอรันยิกะภิกษุชั้นอุกริตย่อมทำให้อารุณขึ้นในป่าตลอดการเคย อ, อยู่ในป่าเป็นนิดอรันยิกะภิกษุชั้นกลางย่อมอยู่ในเสนาสนะภายในบ้านได้ตลอดการสี่เดือนในฤดูฝนอรันยิกะภิกษุชั้นต่ำ ยอมอยู่ในเสนาสนะภายในบ้านได้ตลอดการสี่เดือนในฤดูหนาวด้วยรวมเป็นเวลาแปดเดือนว่าด้วยประเภทในอารัญญิกังคทุ ด, ดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกก็แลเมื่ออารัญญิกะภิกษุทั้งสามประเภทนั้นมาจากป่าและฟังธรรมเทศนาอยู่ในเสนาสนะภายในบ้าน แม้ถึงอรุณจะขึ้นในการตามที่กำหนดไว้นั้นทุ ด, ดงก็ไม่แตกครั้นฟังธรรมแล้วกำลังเดินทางกลับไปอยู่ถึงแม้อรุณจะตั้งขึ้นในระหว่างทางทุ ด, ดงก็ไม่แตกแต่ถ้าเมื่อพระธรรมกระเถึกลุกไปแล้วอรัญญาภิกษุทั้งสามประเภทนั้นคิดว่าจะพักนอนสักครู่หนึ่งแล้วจึงจากไปดังนี้ แล้วเลยหลับไปทำให้อารุณขึ้นในเสนาสนะภายในบ้านหรือทำให้อารุณขึ้นในเสนาสนะภายในบ้านตามความชอบใจของตนทุดงย่อมแตกว่าด้วยความแตกในอารัญยิกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้อานิสงก็แลอนิสงในทุดงนี้มีดังนี้ คืออารัญิกะภิกษุผู้สนใจถึงซึ่งความสำคัญแห่งปาเป็นผู้ควรที่จะได้บรรลุซึ่งสมาธิที่ยังมิได้บรรลุหรือเป็นผู้ควรที่จะรักษาไว้ได้ซึ่งสมาธิที่ได้บรรลุแล้วแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็ส่งพอพระอฤิทัยต่อท่านเหมือนดังที่ตรัสไว้ว่านาคิตะภิกคุด้วยเหตุนั้น เราย่อมพอใจต่อภิกษุนั้นด้วยการอยู่ในป่าดังนี้อนหนึ่งสิ่งต่างๆมีรูปอันไม่เป็นที่สัปปายะเป็นต้นย่อมไม่รบกวนจิตของอรัญญิกภิกษุนั้นผู้อยู่ในเสนาสะนะอันสงัดภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นปกติเป็นผู้สิ้นความสะดุ้งหวาเสียวแล้วละความพอใจอะไรในชีวิตได้แล้วท่านย่อมได้เสวยรสแห่งความสุข อันเกิดแต่วิตกอนหนึ่งภาวะที่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกูลเป็นปกติเป็นต้นย่อมเป็นภาวะที่เหมาะสมแก่ท่านอารัญญิกะภิกษุนั้นอรัญญิกะภิกษุผู้ชอบความสงบไม่คลุกคลียินดีในเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้อย่างพระมานัตของสมเด็จพระโลกกนาต ให้ทรงโปรดปรานได้ด้วยการอยู่ในปา่าอรัญญิกะภิกษุผู้สํารวมอยู่ในป่าแต่เดียวดายยอมได้ประสบความสุขอันใดรสแห่งความสุขอันนั้นแม้แต่ทวยเทพกับพระอินทก็ไม่ได้ประสบอรัญญิกะภิกษุนี้เที่ยวสวมสอดผ้าบังสุกุลจีวรเป็นเสมือนกษัตริย์ทรงสวมสอดเกราะ เข้าสู่สงครามคือป่ามีทุตธรรมที่เหลือเป็นอาวุธเป็นผู้สามารถที่จะได้ชัยชนะซึ่งพยามารพร้อมทั้งราชพหานะโดยไม่นานเท่าไหร่นักเลยเพราะเหตุฉะนั้นอันภิกษุผู้เป็นบัณฑิตพึงกระทำความยินดีในการอยู่ป่านั่นเทินว่าด้วยอนิสงในอารัญญิกังคทุดงนี้ เพียงเท่านี้พรรณนาการสมาทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอนิสงส์ในอรัญญิกังคธุดงยุติลงเพียงเท่านี้